ความจริงอิทธิบาตสี่อย่างนี้เกื้อหนุนกันและมักมาด้วยกันเช่นเกิดชั้นทะมีใจรักแล้วก็ทำให้ภาคเพียนเมื่อภาคเพียนก็เอาใจจดจอ่อไฟใจอยู่เสมอและเปิดช่องให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองแต่ที่แยกเป็นแต่ละข้ออย่างนี้ก็ด้วยถือเอาภาวะที่เด่นเป็นใหญ่เป็นตัวนำ เป็นตัวชักจูงข้ออื่นๆในแต่ละกรณีเช่นว่าเมื่อฟังธรรมด้วยกันคนหนึ่งชอบศึกษาธรรมฟังได้ความรักความพอใจในธรรมอยากรู้อยากเข้าใจธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงฟังด้วยจิตใจแน่วแน่ก็มีฉันทะเป็นตัวเด่นชักนำสมาธิและกุศลธรรมอื่นๆหรือแม้แต่เพียงชอบใจธรรมที่แสดงในคราวนั้นหรือชอบผู้แสดงคราวนั้นทาให้ฟังด้วยจิตใจแน่วแน่ อย่างนี้ก็มีฉันทะเป็นตัวเด่นเช่นกันอีกคนหนึ่งมีนิสัยหรือแม้แต่ความรู้สึกเกิดขึ้นในขณะนั้นว่าเมื่อพบอะไรที่ควรทำก็ต้องสู้ต้องเอาชนะต้องเข้าเผชิญและต้องทาให้สาเร็จจึงฟังได้ความรู้สึกว่าเป็นสิ่งท้าทายจะต้องพยายามเข้าใจให้ได้ก็มีวิริยะเป็นธรรมเด่นอีกคนหนึ่งมีนิสัยเอาใจใส่รับผิดชอบ ไม่ว่าอะไรที่ตนเกี่ยวข้องก็จะต้องใส่ใจเอาจิตจดจ่อติดตามจึงตั้งใจฟังเอาจิตติดตามเนื้อความไปก็มีจิตตะเป็นใหญ่อีกคนหนึ่งคิดจะตรวจสอบว่าธรรมที่แสดงนั้นจริงหรือไม่ดีหรือไม่หรือจะค้นหาเหตุผลในธรรมที่ฟังฟังไปก็คิดใคร้ครวนพิจารณาสอบสวนไปใจจึงแน่วแน่อยู่กับธรรมที่ฟัง ก็มีวิมังสาเป็นใหญ่ด้วยเหตุนี้บางแห่งท่านจึงเรียกอิทธิบาทสีนี้ว่าเป็นอธิบดีหรืออธิปไตยสี่โดยกำหนดเอาภาวะที่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในกรณีนั้นๆสาระของการสร้างสมาธิตามหลักอิทธิบาทก็คือเอางานสิ่งที่ทำหรือจุดหมายที่ต้องการเป็นอารมณ์ของจิตแล้วปลุกระดระดมฉันทะวิริยะจิตตะ หรือวิมังสาเข้านำหนุนสมาธิก็เกิดขึ้นและมีกำลังแข็งกล้าช่วยให้ทำงานอย่างมีความสุขและบรรลุผลสำเร็จด้วยดีโดยในยะนี้ในการปฏิบัติธรรมก็ดีในการเล่าเรียนศึกษาหรือประกอบกิจการงานอื่นใดก็ดีเมื่อต้องการสมาธิเพื่อให้กิจที่ทำนั้นดำเนินไปอย่างได้ผลดีก็พึงปลุกเรา้าและชักจูงอธิบาท4อย่างนี้ ให้เกิดเป็นองค์ธรรมเด่นนำขึ้นสักข้อหนึ่งแล้วสมาธิความสุขสบายใจและการทํางานที่ได้ผลก็เป็นอันหวังได้เป็นอย่างมากว่าจะเกิดมีตามมาเองพร้อมกันนั้นการฝึกสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งก็จะเกิดมีขึ้นในห้องเรียนในบ้านในทุ่งนาในที่ทํางานและในสถานที่ทุกๆแห่งตัวอย่างเช่นเมื่อจะสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งครูก็ทําตนเป็นกาลยาณมิตรโดยอาจชี้แจงให้นักเรียนเห็นคุณค่าความดีของวิชานั้นหรือเรื่องราวนั้นให้มองเห็นว่าวิชานั้นมีประโยชน์อย่างไรอาจเป็นประโยชน์ของตัวผู้เรียนเองเกี่ยวกับการหางานทําการได้รับผลตอบแทนหรือความเจริญก้าวหน้ า, นานในชีวิตเป็นต้นก็ได้หรือถ้าจะให้ดี ควรเป็นประโยชน์ของส่วนรวมเช่นความเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ก็ได้จนทำให้นักเรียนเกิดความรักความพอใจอยากเรียนเพราะอยากรู้วิชานั้นนี้เรียกว่าปลุกฉันทะให้เกิดขึ้นความแตกต่างในกรณีนี้อยู่ที่เมื่อครูชี้แจงให้นักเรียนเห็นคุณค่าความดีของวิชานั้นโดยให้มองเห็นว่าวิชานั้นมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเองเกี่ยวกับการหางานทาการได้รับผลตอบแทน หรือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นต้นนั้นอย่างนี้เป็นการใช้โลภะเป็นปัจจัยแก่ชันทะแต่เมื่อครูชี้แจงให้นักเรียนเห็นคุณค่าความดีของวิชานั้นโดยให้มองเห็นว่าวิชานั้นเป็นประโยชน์ของส่วนรวมเช่นความเพื่อกูลแก่เพื่อนมนุษย์อย่างนี้เป็นชันทะบริสุทธิ์อีกอย่างหนึ่งอาจพูดปลุกเร้าในแง่ที่เป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาความสามารถกระตุ้นความเข้มแข็งคึกคักที่จะเรียน หรือกล่าวถึงตัวอย่างการกระทำสำเร็จของผู้อื่นให้เกิดกําลังใจสู้เป็นต้นเรียกว่าปลุกเราวิริยะขึ้นอีกอย่างหนึ่งอาจปลุกเราในแง่ความรู้สึกเกี่ยวกับหน้าที่หรือความรับผิดชอบให้เห็นความเกี่ยวข้องและความสำคัญของเรื่องนั้นต่อชีวิตหรือต่อสังคมเช่นเรื่องเกี่ยวกับภัยอันตรายและความปลอดภัยเป็นต้นซึ่งแม้นักเรียนจะไม่ได้ชอบ ไม่ได้รักเรื่องนั้นแต่ก็จะเอาใจใส่ตั้งจิตจดจ่อเรียนอย่างแน่วแน่เรียกว่าทําให้เกิดจิตตะอีกอย่างหนึ่งครูอาจสอนตามแนวของการสํารวจตรวจสอบสืบสวนทดลองหรือค้นคว้าหาเหตุผลเช่นตั้งเป็นปัญหาหรือคําถามเป็นต้นซึ่งทําให้นักเรียนต้องใช้วิมังษานักเรียนก็จะเรียนอย่างมีสมาธิได้เหมือนกันเรียกว่าใช้วิธีวิมังษา ยิ่งถ้าครูจับลักษณะนิสัยของนักเรียนได้และปลุกเร้าอิทธิบาทข้อที่ตรงกับลักษณะนิสัยอย่างนั้นก็ยิ่งดีหรืออาจปลุกอิทธิบาทหลายๆข้อไปพร้อมกันก็ได้ในขณะเดียวกันผู้เรียนหรือผู้ทำงานที่ฉลาดก็อาจใช้โยนิโสมนัสิการปลุกเร้าอิทธิบาทขึ้นมาใช้สร้างผลสาเร็จได้ด้วยตนเอง